ยิ่งนานก็ยิ่งเบาตัวแม้คลื่นความฟุ้งสัน้นยังคอยตามราวีแทรกแสงสติอยู่ตลอดก็ไม่รู้สึกรำคาญ ร, รวมทั้งไม่สามารถทำให้ลมหายใจเสียความสำคัญไปไดอย่างใดฉันจดจำไว้ในใจว่าจิตต้องเปิดสบายเหมือนมองฟ้าอย่างนี้สติถึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง